แต่เมืองนี้เป็นเป็นประกอบด้วยคนที่ไม่ค่อยไม่สนใจพุทธศาสนาเลยพระปุณณเจตูลาไปเมืองสุนัาปันตากุฎเจ้าก็เตือนว่าคนสุนัาปันตานี่ดุร้ายนะถ้าเขาด่าว่าท่านท่านจะคิดอย่างไรพระ ก, กุฎเจ้าก็พระปุณณะก็ตอบว่าเขาด่าก็ดีกว่าเขาทุกตีนะเขาด่าก็ดีที่เขาไม่ทุกตีนะ อาแล้วถ้าเขาทุบตีท่านจะว่าอย่างไรพระปุณณะก็ตอบว่าเขาทุบตีก็ดีที่เขาไม่เอาก้อนหินมาคว้างอาแล้วถ้าเขาก้อนหินมาคว้างท่านจะคิดอย่างไรเขาก้อนหินมาคว้างก็ดีที่เขาไม่เอาไม้มาฟาดแล้วถ้าเขาไม้มาฟาดเนี่ยท่านจะคิดอย่างไรเขาไม้มาฟาดก็ดีที่เขาไม่เอาของแหลมมาแทงแล้วถ้าของแหลมมาแทงล่ะท่านจะคิดอย่างไร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 อย่างที่มีเด็กคนหนึ่งเป็นมะเร็งที่สมองนะจิตอาสาไปเยี่ยมเห็นผมลุเห็นผมร่วงหมดเลยแต่เด็กนี้หน้าตาแจ่มใสพูดคุยโอภาปาสายดีคุยไปคุยมา mm. เธอก็บอกว่าหนูโชคดีที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกนะมีญาติคนนึงเป็นมะเร็งมดลูกปวดมากเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองนะนะ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 โยนิสโสมนสิการนี่ก็มีมองได้หลายแงนะ่หลา ย, ายแนวมองแบบอริยสัจสีก็ได้นะทุกสมุทัยนิโรจน์มากหรือมองแบบเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างเหตุกับผลมองบัวนี่เขาเรียกว่าเป็นการมองแบบโยนิสโสมนสิกการที่เรากุศลธรรมเรากุศลธรรมนะคือการมองว่าปัญหาหรือความทุดผุดเกิดขึ้นเนี่ยมันมีข้อดีอะไรบ้าง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 ในแง่หนึ่งผู้เจ้าก็สอนนะว่าทุกอย่างนี้มันเป็นทุกทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ไม่มีทุกไม่ใช่ทุกเลยนะทุกอย่างเป็นทุกทั้งนั้นสิ่งที่พู้เจ้าสอนก็คื อ, ค อ, คอทุกแล้วก็ทางพ้นทุกนะแต่ในแง่หนึ่งนะในระดับในระดับจริยธรรมนะในระดับการใช้ชีวิตอย่างปุุชลเนี่ยผู้เจ้าก็สอนให้รู้จักมองบวกนะคนที่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 ส่วนที่ไม่ดีของเขาไอ้ส่วนที่ดีไม่มองอันนี้ภาษสารีบุตรก็แนะนําว่าก็ให้มองส่วนที่ดีเขาซะเปรียบเมื่อคนที่เดินทางไกลกระหายน้ําพอมาเจอสระสระนี่มีจอกแหนะปกคลุมหมดเลยทํำยังไงอ่ะจะได้จะมีน้ํากินก็ต้องรู้จักแหวกนะแวกจอกแหนะออกมาแล้วก็ตักน้ําในสระนละกินเดื่มกินได้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 จะทำลายจเากกจ้ากเจ้าว่าก็ไม่ยอมพอเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็เห็นแต่สองก้อนที่มันไม่สวยเดินผ่านไปผ่านมาต้าก็เห็นแต่สองก้อนเห็นที่ไรก็หงุดหงิดทุกทีนะแล้ววันหนึ่งก็มีโยมคนหนึ่งมาเยี่ยมทัานก็พาชมวัดโยมก็เห็นกำแพงก็บอกโอ้กำแพงนี่สวยนะก็งามเลยอาจารย์พรหมบอกว่าสวยที่ไหนเราไม่เห็นเลย ไอ้สองก้อนเนี่ยมันไม่สวยเลยตาถั่วหรือเปล่าตคันตูเก่าบอกว่าเห็นครับไอ้สองก้อนที่ไม่สวยแต่ว่าไอ้ที่เหลือคือเก8า้อยเก้อ น, นี่มันสวยมันงามมองบวกคือมองตรงนี้แหละคือมองเก้า้อก้าสก้อนที่ดีนะไม่ใช่มองแต่ไอ้สองก้อนที่ไม่ดีนะหลายคนมีความทุกข์นะกับผู้คน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 อันนี้ก็ต้องลองถามตัวว่าเป็นพ่อเรามองแต่ลบหรือเปล่านะเหมือนกับอาจารย์พรหมที่ท่านท่านก็ทำทำมาได้สวย 98% หรือว่าทํามาสวย 99% นะแต่ว่ามีความทุกว่าไปจดจ่ออยู่กับไอหนที่ไม่ดีนัถ้าจดจ่อแต่หที่ไม่ดีนี่เรามองลบนะแต่ถ้าม อ, มองบวกคือว่าไม่ได้เห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีอย่างเดียวเห็นส่วนที่มันดีด้วยนะ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 ต่อหลังไปค้าแข่งในต่างประเทศแล้วก็ต่อหลังไปทําสัญญาเป็นนักฟุตบอลให้กับสโมสร อ, อังกฤษโอ้เป็นข่าวใหญ่มากนักฟุตบอลไทยจะได้ลงสนามนะในลีกที่มีชื่อมากนะของโลกนะลี ก, ล, กลีกอังกฤษนะนะอันดับต้นพรีเมียร์ลีกนะแต่บอกว่าไปถึงอังกฤษแล้วเนี่ยไม่เคยได้ลงสนามเลย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 จากร่างกายที่กําลังถูกไฟไหม้เผาผ่าญร่างกายนะท่านก็บรรลุธรรมได้บางท่านก็บรรลุธรรมขณที่เสือกัดนะมีทุกขเวทนามากนะท่านก็เห็นไตรลักษณ์เห็นพระธรรมนะอันนี้จังทุกนอ น, นัตตาจากความเจ็บจากสังขารที่กําลังจะตายนะจากความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอันนี้เรียกว่ามองบวกก็ได้นะคือแม้ว่าเจอทุกปางตายก็ยังเห็นธรรมจากทุกได้